พระสัมมาสัมพทธ佛ผาวพธังพะวันงาทิวะเฮมิสวัสดพะามานุมาััสสุขติปโนพระาวโทสวัตสัโพส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 เาก็ขออนุโมทนากับพวกเราเนียที่ตั้งใจในการศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแในครั้งที่แล้วได้พูดถึงในเรื่องของสติปัฏฐานที่ว่าด้วยอาณาปานาสติหรือกล่าวในเรื่องของอาณาปานาสติในทางด้านของคัมภีวิสุทธิมากเป็นต้นที่นํามากล่าวกันไว้เนี่ยทีนี้พูดถึงในเรื่องการศึกษาในการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยนะในส่วนของ อ า, า, าณาปานาบัปคือในส่วนของกายานุปัสสนาเนี่ยการพิจารณาเกี่ยวในเรื่องของกายเนี่ยก็มีอนันการหนึ่งพิจารณาลมหายใจเข้าและลมหายใจออกใช่ไหมนั่นคืออ า, า, าณาปานาบัปในหมวดที่สองก็ว่าในเรื่องของอิริยาบด์บับพปะก็คือการพิจารณาอิริยาบดยืนเดินนั่งและนอนในหมวดที่สามก็ว่าในเรื่องของสัมปชัญญะบัปก็คือว่า สัมปชัญญะในฐานะเจมีการก้าวไปถอยกลับเป็นต้นนั่นคือแจกแจง ร, รายละเอียดแล้วก็ในหมวดที่สก็ปฏิคูลมนัสิการบ์บก็คือการพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังกอเป็นต้นแล้วก็หมวดที่ห้าก็พูดถึงในเรื่องของธาตุมนัสิการบ์บก็คือพิจารณาดินน้ำไฟลมแล้วก็เหลือจากนั้นก็คือนวทิกาบอกพาก็คือพูดในเรื่องของฝ่าช้าทั้ง9้าคือการพิจารณาซากศพ เกี่ยวในเรื่องของตั้งแต่นั่นแหละศพที่ตายแล้วหนึ่งวันสองวันสามวันเป็นต้นเป็นจนถึงว่ากระดูกละเอียดจนขุ่นผงเป็นต้นอันนั้นในหมวดของกายานุปัสสนานั้นมีอยู่สิบสี่ประภาหรือสิบสี่หมวดเวทนานั้นท่านเอาเวทนาเก้ามาจาัดแต่เมื่อจัดไปแล้วท่านนับเป็นหนึ่งใช่ไหมจากสิบสี่ก็เลยกลายเป็นสิบห้าจิตานุปัสสนานั้นในพิจารณาจิตสิบหกประเภทนี่จิตที่มีราคาเป็นต้นแบบเนี้ยก็ามาสรุปลงก็นับเป็นหนึ่งเหมือนกัน ส่วนธรร ม, มานุปัสสนานั้นมีอยู่ห้าเริ่มตั้งแต่นิวรณะบัพพะก็คือพิจารณาในเรื่องของนิวรณห้าแล้วก็โพชังคาบัพพะก็คือพิจารณาโพชงเจ็ดขันธบัพพะก็พิจารณาขันห้าแล้วก็เกี่ยวในเรื่องของอายตนะบัพพะแล้วก็สัจจะบัพพะรวมเป็น5้าสรุปก็คือว่ากายานุปัสสนานั้นมี14เวทนานุปัสสนานั้นมีหนึ่งจิตานุปัสสนานั้นมีหนึ่ง แล้วก็ทํามานุปัสสนานั่5ดีห้ารวมเป็นเท่าไหร่สิบสี่บวกหนึ่งบวกหนึ่งแล้วก็บวกห้าเป็นยี่สิบเอดหมวดใช่ไหมยี่สบอ็ดปัจภาะอันนั้นนั่นแหละทีงนี้ในวันนี้นะก็ให้เปิดไปดูในหน้าแรกๆนี้ก่อนนะก็คือหน้าที่หน้าที่เจ็ดในหน้าที่เจ็ดเนี่ยจะดูพุทธพจน์ก่อนนะในอียาบทบับภาเนี่ยนะ ในข้อที่ร้อยสบพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนพิกษุทั้งหลายดูก่อนพิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งพิกษูเมื่อเดินก็รู้ชัดว่าเราเดินเมื่อยืนก็รู้ชัดว่าเรายืนเมื่อนั่งก็รู้ชัดว่าเรานั่งเมื่อนอนก็รู้ชัดว่าเรานอนหรือเธอทั้งกายไว้ด้วยอาการอย่างใดอย่างใดก็รู้ชัดอาการอย่างนั้นอย่างนั้น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 เพียงเพื่ออาศัยระลึกระลึกตรงนี้เป็นชื่อของสติก็คือเป็นชื่อของสัมมาสติฉะนั้นสัมมาสติกับคาว่าสัมมาทิฏฐิไหมญาณาเนี่ยเพื่อรู้นั้นเป็นสัมมาทิฏฐิแต่ระลึกในที่นี้เป็นชื่อของสัมมาสติเท่านั้นเธอเป็นผู้วันตัญหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่แล้วและไม่ถือมั่นอะไรอะไรในโลกตัญหาและทิฏฐิเนี่ยท่านจะเป็นตัดตัญหาเป็นกามอุ ป, ปาทานส่วนทิฏฐินั้นเรียกว่าทิฏฐุปาทาน ปัญหาเนี่ยเรียกว่าการมุ ป, ปาทานยังไงวะการมุ ป, ปาทานในที่นั้นก็เป็นชื่อของปัญหาเป็นชื่อของโลภะส่วนทิฏฐินั้นเป็นชื่อของทิฏฐุปาทานเป็นชื่อของทิฏฐิและไม่ถือมั่นอะไรอะไรในโลกโลกในที่นั้นท่านในย่านนี้ได้แก่อิยาบทแต่รวมเบ็ดเสร็จก็คือขันห้าตรงนี้นะอุปาทานขันห้ารูปอันเป็นที่ตั้งของเห็นความยึดมั่นคือรูปขันนั้นเป็นที่ตั้งเห็นความยึดมั่นคือรูป ขันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาเคยสวดมนต์ยังเมื่อขันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาขันนั้นเป็นที่ตั้งความยึดมั่นคือสังขารขันนั้นเป็นที่ตั้งแห่ความยึดมั่นคือวิญญาณนั่นแหละรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารและขันวิญญาณขันนั่นแหละท่านเรียกว่าโลกในที่เนี้ไม่ใช่ไม่ใช่โลกอย่างอื่นนะโลกในที่นี้หมายถึงขันหดูก่อนพิสูจน์ต่างหลายแล้อย่างนี้พิสูจชื่อว่าพิจารณาเห็น กายในกายมีจบแล้วนะเนี่ยเอียบทป่กแค่นี้เข้าใจเรียบร้อยแล้วเนี่ยพวกที่อเจาสอนอย่างนี้ก็เรียกวุเทศจะไม่ยากอย่างนี้นิเทศสอนอย่างเนี้ยนะในสภาพในสมัยก่อนนะพิกจกพิกจูนีอุบาศกและอุบาสิกาที่พระองค์ตรัสสอนที่แ้งกุรุเนี่ยเพราะตรัสอย่างนี้เบเสร็จเนี่ยก็บรรลุกันแล้วแทงตลอดอริยศาสตร์วันนี้ทุกนี่เหตุให้เกิดทุกนี่ความดับทุกนี่ก็ปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุก แปลว่าท่านประชุมอริยมรรคเรียบร้อยเบดเสร็จแล้วลากิเลสเป็นสมุเทเธตประหารนี่ก็เป็นทางแห่งการบรรลุเป็นพระอรหันต์ของพิสูุรูปหนึ่งเป็นต้นเห็นไหมฟังแค่นี้ท่านบรรลุใช่ไหมและเราจับต้นชนปลายถูกไหมเนยเนี่ยปัญหาว่าทําไมจิงต้องฟังกท็ทำทําไมยิงต้องรศึกษาคําสอนทีนี้การศึกษาคําสอนเนี่ยพยัญชนะทุกพยัญชนะนะมีอักถะคือสภาวะมีเรื่องความมีความหมายรับรองอยู่ ทีนี้อย่างยกตัวอย่างเช่นคำพูดเนี่ยให้สังเกตดูไหมที่ภาษารีบุตรบอกว่าบอกแกว่าข้าแต่ท่านอาจารย์ที่ว่าไป ห, หาท่านพระสัชชีพระสัชชีก็บอกเราเป็นผู้ใหม่ใช่ไหมยังไม่สามารถที่จะกล่าวอะไรต่างๆให้วิกิตพิสดารอย่างพระพูมีพระภาคเจ้าเป็นต้นหรืออย่างบุคคลที่เข้ามาสู่ในภาษาศาสนานี่นานได้ท่านภาษารีบุตรว่าข้าแต่อาจารย์บอกพยัญชนะมากจะมีประโยชน์อะไรพยัญชนะมากจะมีประโยชน์อะไร อันนั้นคนอย่างระดับภาษาอังกฤษนะถ้าพยัญชนะมากใช่ไหมถ้าไม่เข้าใจอัถาของพยัญชนะพยัญชนะมันก็เลือนเพื่อนใช่ไหมใช่ศัพท์เดียว น, นี่มีอัฐเป็นร้อยแต่คนมีปัญญาน้อยเนะี่ยรู้ได้แค่คําเดียวใช่ไหมใช่ศัพท์เดียวนี่ยอัถาเขามีเป็นร้อยนะอัฐาในเนื้อความความหมายมันอยู่ที่ว่าวัตถุประสงค์หรือว่าเป้าหมายนะั่นแหะท่านต้องการให้เราทราบเรื่องอะไรทีนี้เราต้องไปดูอีกนะเปิดไปดูหน้าที่เท่าไรเปิดไปดูหน้าที่ ยี่สบเอ็ดตรงนี้ท่านจะขยายแล้วจะเนี่ยนะไปดูหน้าที่ยี่สิบอ็ดอัตถิฐาท่านบอกว่าพิจารณาดูกายในรยาบทในข้อที่ร้อสาสิบพระผู้มีพระเจ้าท่านทรงจําแนกจําแนกอะไรจําแนกการพิจารณากายโดยอัศสาสะและปัจสาสะคือลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี้แล้วบทนี้เพื่อจะทรงจําแนกอะไรก็ต้องการที่จะทรงจําแนกอียบทิ้งได้ตรัสคํามีอาทิว่าภุณะจะปรังทิเขเวเป็นต้นแล้วนะ วินิจัยในบทเรื่อนี้ต่อไปในอธิบายบทว่าคือคัมภีที่เราศึกษากันเนี่ยเขาเรียกว่าคมภีมัชชิมานิกายมูระปัณ น, นาสติปาาัสสรวะด้วยอิยาบทบพะข้อที่ร้อยสามสที่พุทธยาดตรัตที่เรากล่าวเมื่อสักครูร่นี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งนนเนี่ยเมื่อเดินภิกษุเมื่อเดินก็รู้ชัดว่าเราเดินเมื่อยืนก็รู้ชัดว่าเรายืนเมื่อนั่งก็รู้ชัดว่าเรานั่งเมื่อนอนก็รู้ชัดว่าเรานอน ห, หรือเธอตั้งกายไว้ด้วยอาการอย่างใดอย่างใดก็ร the ู้ชัดอาการอย่างนั้นอย่างนั้นด้วยเหตุดังพราณาชินีภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายภายในบ้างพิจารณาเห็นกายในกายภายนอกบ้างพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในภายนอกบ้างเห็นธรรมหรือความเกิดขึ้นในกายบ้างเห็นธรรมหือความเสื่อมในกายบ้างเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมในกายบ้างอยู่อันหนึ่งสติของเธอตั้งมั่นอยู่ว่ากายมีอยู่ก็เพียงเพื่อความรู้ความรู้ตรงนี้คืออะไรนะ ความรู้ในที่นี้คืออะไรนะเมื่อสักครู่ที่ว่าไปยาหน้าคือปัญญาคือสมาทิฏฐิเพียงเพื่อให้เกิดสติและลึกเท่านั้นนะเพื่อเจริญอะไรอ่ะสรุปตรงนี้ยเพื่อเจริญสติและเจริญสติและสติและปัญญาใช่ไหมไม่ใช่เจริญียาบทนะมุ่งหมายจุดมุ่งหมายพระพุทธองค์สอนตรงเนี้ยเพราะพระพุทธองค์ต้องการสอนให้เจริญียาบทหรือเจริญสติปัญญา ียาบทนั้นเป็นธรรมะที่ควรเจริญหรือเป็นธรรมะที่ควรละหรือเป็นธรรมะที่ควรกาหนดรู้หรือเป็นธรรมทระรรรมที่ควรทําให้แจ้งให้การอะไรนะถ้าทำเป็นธรรมะที่ควรกําหนดรู้ียาบทยืนียาบทร่างียาบทนอนเป็นต้นเนี่ยไม่ใช่เป็นธรรมะที่ควรเจริญไม่ต้องไปออกกําลังกายมากๆไปวิ่งแต่เช้าเลยบอกไม่ได้ควรทําให้เจริญมันไม่ไหวแล้วใช่ไหมทนี่การที่บอกว่า สติของเธอตั้งมั่นอยู่เธอเป็นผู้อัญตหาแลสิทีไม่อาศัยอยู่ไม่ถือมั่นอะไรอะไรในโลกไม่ยึดถือไม่ยึดถือโลกในที่นั้นได้แก่อะไรอุปาทานขันท่าใช่ไหมได้แก่ขันนั้นเป็นที่ตั้งความยึดมั่นคือรู้คือเวทนาขานนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือขันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังถ่ายแล้วว่าขันนั้นเป็นที่ตั้งความยึดมั่นคือวิญญา แล้วสวดกันใช่ไหมสวดมนต์ธรบ้านกันลูปูปาทานะันโทเวชลูปาทานะันโทไปต้นยสวดไหเคยนะทีนี้ถามว่าไม่ยึดมั่นด้วยอะไรไม่ยึดมั่นขันห้าด้วยไงไม่ยึดมั่นด้วยคือไม่เห็นขันห้าว่าว่างามก่อนสิใช่ไหมว่างามแล้วก็ว่าอะไรอีกว่าเที่ยงแล้วก็ว่าว่าสุกแล้วก็ว่าอะไร ว่าเป็นอัตตาใช่ไหมท่านบอกว่าอย่าไปยึดมั่นว่าเห็นเห็นว่างามนะอย่าไปยึดมั่นในความว่าเป็นของเที่ยงนะอย่าไปยึดมั่นว่าเป็นมันมีความสุขนะอย่าไปยึดมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนของเรานะท่านสอนเบื้องต้นท่านสอนแบบนี้อย่าให้ไปยึดมั่นแบบนี้ทําไมท่านจึงสอนไม่ให้ยึดมั่นอุปาทานกันห่าว่างามว่าเที่ยงว่าสุขว่าเป็นอัตตาเพราะเพราะรูปประคันเวทนาสัญญาสัญขารมีาณการที่ได้มาเนี่ย มันเป็นผลของอะไรขันห้าจะเป็นผลของอะไรเป็นผลของอวิชชาเป็นผลของตัณหาเป็นผลของกรรมในอดีตถามว่าอาวิชชาดีหรือไม่ดีตัณหาดีหรือไม่ดีกรรมที่ทำให้รูปขันฉันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในขณะเกิดขึ้นในปัจจุบนนันดีหรือไม่ดีถามว่าอาวิชชาเป็นโจรหมเป็นมหาโจรใช่ไหมตัณหาเป็นมหาโจรใช่ไหมกรรมที่มีตัณหาแทรกแซงอยู่ด้วยก็เป็นมหาโจร แล้วโลูกมหาจนเนี่ยแล้วถูกมหาจนฝึอกอบรมมาในสังสารวัตรอย่างช่ำชองเนี่ยไม่ขันห้าที่เราได้มาคือเป็นลูกของมหาจนใช่ไหมแล้วถูกฝึกวิชาสารพัดวิช า, ท, ชาทีนี้แต่ก่อนเราไม่รู้ว่าเราเนี่ยนอนกอดมหาจรอยู่ลูกของมหาจรอยู่ใช่ไหมพอวันใดวันหนึ่งอุปมายอย่างนี้ว่าเหมือนวันใดวันหนึ่งใช่ไหมคุณโยมสุภาราตบไม่รู้คนคนนี้เราเล่าไว้เนี่ยมันเป็นลูกของมหาโชนมหาจนฝึกวิชาทุกอย่าง วิชาข้าวิชาพ้นวิชาจี้วิชาตีชิงนิ่งราทุกอย่างได้โอกาสมันข่ามันพ้นมันจี้มันมันทําทุกอย่างว่ะฮะแต่มันจิตใจโหดเยี่ยมมากแล้วมันก็มานอนอยู่กับเราทุกวันแต่ก่อนเราก็ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งเรารู้ขึ้นมาเราจะมีความรู้สึกยังไงกับคนคนนั้นพยนต์จะมีความรู้สึกยังไงจะมีความรู้สึกยังไงใช่ไหมฉะนั้นอุปาทานขันห้าเนี่ยมันเป็นลูกของโจรและโจรเป็นผู้ผลิตมาแท้แท้นะ ตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเป็นต้นตลอดถึงรู ป, ปรขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยที่เรานอนกอดอยู่ทุกวันเนี่ยนี่แหละคือเป็นโลกของมหาโจรอุมานี้เห็นไหมเนี่ยแต่ก่อนแต่ก่อนเราไม่รู้ไงแต่ตอนนี้เรารู้แล้วใช่ไหมว่ามันจป็นถามว่าเราคิดอย่างนี้ดินน้ำไปลมที่เกิดจากกรรมเป็นต้นดินน้ำไปลมที่มีวิชาตัรหาเป็นต้นเหล่าเนี้ท่าอุปมาเหมือนงูไงเหมืนงูสี่ตัว ก็คือโจรเลยไหมนถ้ามันจะฆ่าเราตลอดเวลานะถ้ามันบอกว่าจะนอนเนี่ยเราก็ต้องตามใจมันถ้าบอกว่าหิวเราก็ต้องหาอาหารให้มันนีถ้าบอกมันต้องการอยากจะไปดูตรงไหนก็ต้องพามันไปนะถ้ามันบอกว่าต้องการอยากจะอาบน้ำก็ต้องไปอาบต้องการที่จะทําอะไรต่างๆก็ต้องตามใจวันใดวันหนึ่งถ้าเราไม่ไปเราขัดแย้งกับมันเมื่อไหร่มันจะฉกกัดคือรูปของโจรเนี่ยแต่เรามันมาในข้าวเหมือนว่าไม่ใช่ใช่ไหมนั่นเราก็นอนกอดปรชื่นชมอย่างเนี้ย ฉะนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าอุปาทานขันห้าเนี่ยมันเป็นผลิตผลหรือว่ามันเกี่ยวกับเป็นรูปของมหาโจร ท, ที่ถูกบุมมาอย่างนี้ที่เราพอนอนก่อดแช่โดยสบายใจเลยใช่ไหมเราไม่รู้เลยนะว่าเป็นโจรเนี่ยแต่พอมาวันนี้เรารู้แล้วฉันรู้เลยว่าเราจะทําไงกลับไปเราจะคิดกับเขาอย่างไรจะคิดยังไงจะฆ่าเขาเลยอฆ่าก็ไม่ตายอยู่เลยเนี่ยจริงๆต้องฆ่าตัวไหนอ่ะฆ่าตัวเนี่ต้องฆ่าอาวิชชา คง่าปัญหาและก็กรรมที่เป็นเหตุถึงการที่จะสร้างครันห้าต่อไปทีนี้เราจะฆ่ายัางไงวิธีจะฆ่าจะทำงไงที่จริงการอุปมาในลักษณะอย่างเนี้ยใหม่ๆอาจจะไม่เห็นชัดนะแต่ถ้าเราพิจารณาว่าเราอยู่กับรูปปันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่กับกายกับใจนี่เราจะรู้ว่าสารพัด ที่เราต้องประคบประมงเขาเขาก็ไม่เป็นไปอย่างที่เราปรารถนาเลยบอกว่าใจเอ้ยเราตามใจทุทุกอย่างอย่ากโกรธเลยอย่าโลภเลยอย่าหลงเลยอย่าน้อยใจเลยเนี่ยมันก็ไม่เชื่อหรอกอย่าคิดมากเลยวันนี้น อ, น, อนหลับเอ้อะมันก็ไม่นอนใช่ไหมแล้อย่าป่วยนะเนี่ยอย่าปวดตรงนั้นนะเนี่ยมันไม่เคยตามใจเรา เหนหมว่าจริงๆแล้วตอนนี้ยมันเริ่มแผงฤทธิ์แล้วมันอยากจะแทงเราตรงไหนมันก็แทงอยากจะฆ่าเราตรงไหนมันก็ฆ่าอยากจะกัดเราตรงไหนมันก็กัดเห็นหรือยังว่ามันเป็นโจรมันไม่เคยบอกเขาจึงเรียกว่าขันธ์มารไงมารคือเบญจขันธ์เห็นหรือยังว่าเขาขวางเราทุกอย่างนะวันนี้จะไปศึกษาพระธรรมบอกไม่เขาไม่ให้ไปหรอกเขาขวางแล้วใช่ไหมพอทํำท้า ท, ทําทางพออากาศเย็นๆหน่อยจะหลับหนีพอจะรู้หน่อยนะมันรีบปิดแล้ว อย่าไปรู้ถ้ารู้แล้วมันจะจัดการกับเขาเนะีอย่าลืมนะมันมีเรื่องสารพัดเบ็ดเสร็จหมดแล้วที่มันจะมาขัดขวางมีเหตุผลจนได้ทิพจะไม่ได้ศึกษาพระธรรมมันให้เหตุผลจนได้เกลี้ยกล่อมจนได้ไปฟังวันเดียวอพอแล้วแค่นี้ไม่รู้เรื่องแล้วกลับไปเหตุผลเพียงพอต่อการที่มันจะกล่อมเราจนได้น่าเข้าน้าเข้าโอ้ยเรายังไม่ไหวแล้วเราฟังไม่เข้าใจว่าพเน น, นั่นแหละคือขันธมารไมาเล่นเบ็ดเสร็จมันจะทําอย่างไรเราตามใจเราหมด ใช่ใช่ไม่ใช่นั่นแหละเราโดนมาเล่นแล้วต่อไปพิจารณาใครควรเลทีนี้ตรงนี้พระพุทธเจ้าตราัสบอกว่าไม่ถือมันเป็นตัวเหล่านี้ก็ให้พิจารณากายในกายเป็นตัวทีนี้ในการเจริญกายานุปัสนาสติปัฏฐานเนี่ยถ้าจะกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่แสดงไว้ในอัจฉริยเพื่อกําจัดอะไรในหมวดของกายานุปัสนาในหมวดของกายานุปัสนาถ้าเอาวิปลาสีมาตั้งนี่นะในการเจริญกายานุปัสกายาณุปัสนาเนี่ยวัตถุประสงค์เพื่อต้องการละอะไร ละอาวิปลาสนะอาวิปลาสมาตั้งละอะไรละสุภาวิปลาสใช่ไหมในหมวดของกายานุปัสสนาตั้งแต่พิจารณาลมหายใจเข้าลมหายใจออกพิจารณาียาบทสี่พิจารณาสัพพัญญาในฐานะเจ็หรือปฏิคูลมนสิการับทาตุวมนสิการบั บ, ร, บ, บรู้พิจารณาปาชาทั้งเก้านี่นะเบ็ดเสร็จวัตถุประสงค์อยู่ตรงที่ว่าให้ละสุภาวิปลาสเพราะโดยมากเราจะไปเห็นว่างามคือเห็นว่าดีอะ เห็นว like ่าผมคนและปันหนังเนื้อเป็นต้นอเดียบทยืนเดินนั่งนอนเป็นต้นดีดีถามว่าคนที่ก็หลงไหลกันในเดิมมากหลงอิเดียบทถามว่าถ้ามันมีเป็นคนอยู่ได้เนี่ยถ้ามันยืนเดินนั่งนอนไม่ได้มันจะพอใจมันจะงามไม่เอาทานั่งแข็งทื่ออยู่ท่าเดียวยังไม่มียาบทเลยนอนอยู่อย่างเดียวไม่มียาบทเลยเนี่ยถามคนเราจะชอบกันแน่นแล้วที่เรายินดีพอใจในกิริยากายของเราได้ก็เพราะกิริยากายของเรามันยังมีการยืนเดินนั่งนอน เดินได้ดีเดินได้คล่องยังไม้มที่เราขัดเครื่องทั้งหลายก็เพราะการียบทเราไม่ช่คล่องและสัตว์ทั้งหลายที่ทำกรรมกันเนี่ยจะทำบุญทำบาปได้มากจะทำกรรมเพราะอาศัยียบทนี้แหละและอย่าลืมนะว่ากายวิญยักเนี่ยการเคลื่อนไหวกายเนี่ยมันเป็นมันเป็นอะไรไหมมันเป็นจุดมันเป็นเป็นรูปเป็นรูปที่ทําให้คนอื่นรู้ว่าถูกประสงค์ของเราเช่นถ้าอาตมายกมืออย่างนี้นะแล้วก็กวักแบบเนี้ยอันนี้เป็นการเคลื่อนไหวียาบทนะ อันนี้มัน <pergunta S 1> จะบอกว่าเป็นรูปที่ทําให้คนอื่นรู้วัตถุประสงค์ใช่ไหมรู้อะไรรู้จิตว่าท่านผู้นั้นคิดอะไรก็ต้องอาศัยอันนี้การเคลื่อนไหวอ่ะยาบทก็อาศัยกายวิญญาตวะเนี่ยการเคลื่อนไหวกายใช่ไหมครับฉะนั้นการที่เดินชา้าเดินเร็วนั่งยืนเดินนอนปเป็นต้นเหล่าเนี้นยายาบทนี่มันเป็นบ่งบอกท่าผนผู้บอกว่าการเห็นว่ายาบทว่าดีว่างามนีม่แหละวัตถุประสงค์ท่านหนวดการเจริญหมวดของกายญาณปัฏฐาทั้งหมวดวัตถุประสงค์เพื่ออะไรสุภาวิบัติ ทีนี่ธรรมเจรินเวทนานุปสนานะ่าะเพระาะดูษฎีบุตรละอะไรละอะไรสุขาวิปร่าแต่ว่าอะไรเห็นว่าสุขในสิ่งที่มันเป็นเป็นทุกข์ใช่ไหมอันนี้โดยโด ย, โดยพยัญชนะนี้ท่องได้นะจะอัดฐหรือสาระของความหมายบางทีเรายี่ยังไงนะยามสุขเวทนาาเกิดขึ้นเรายอมรับไหมว่ามันเป็นทุกข์ยอมรับหรือไม่ยอมรับถ้ายักในขณะที่ชื่นใจอะความสุขเกิดขึ้นยอมรับว่ามันเป็นทุกข์ในขนาดนั้น ยอมไหมเราก็ว่ามันเป็นสุขใช่ไหมทั้งๆ ท, ที่สุขนั้นมันเปลี่ยนมันไม่เที่ยงเนี่ยเราก็พยายามเนี่ยพอสุขมันเปลี่ยนปุ๊บเราก็พยายามไขฟวฟ้เพื่อจะหาอะไรหาสุขมาเราคิดว่าครั้งนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งใหม่ให้สุขมากนนี้มันก็ไปอย่างเงี้ยไม่ได้สุขในปัจจุบันก็โหยหาสุขในอนาคตหรือไม่ได้สุขในปัจจุบันก็ย้อนไปถึงถึงสุขในอดีต แต่ก่อนไม่ยังแต่ก่อนดีกว่านี้ไม่เท่าฉะนั้นว่าถูกประสงค์ยังวกระถูกข่าวิปลาดจเจเดิญจิตานุปัสสนาเนี่ว่าถูกประสงค์เวระละเลยอันนี้จากวิปลาดคำว่า น, นี้จากวิปลาดแปลว่าอะไรเห็นว่าเห็นว่าเที่ยงในสิ่งที่ไม่เที่ยงโดยมากจิตเนี่ยคนสมถันว่าเที่ยงนั้นหมดตายแล้วจิตนี้ก็เที่ยงแท้แน่นอนร่องรอยไปหาที่เกิดได้มากเข้าใจกันแบบนี้แทบทั้งนั้นเท่านพวามเข้าใจึงสลกวิปตามนี้พุงึงสอสิา น, สนาเพื่อจะละ นี่เจ้าวิบราตของสัตว์โลกหรือบุคคลที่มีความริษกันนะส่วนธรรมานุปัสสนาเนี่ยวัตถุประสงค์เพื่อลอะไรอัตตาวิบราตในส่วนของธรรมานุปัสสนามี2ส่วนทำที่ควรละกับทำที่ควรเยรญและทำที่ควรกําหนดรู้สาส่วนนะเช่นนิวรณ์เนี่ยเป็นทำที่ควรควรละนะพ่อชงนี่เป็นทำที่ควรขันห้าเป็นทำที่ควรควรกําหนดรู้ใช่ไหมอริยตนะก็เป็นทมที่ควรกําหนดรู้ส่วนอริยศสัร์ก็ครบเลยมีทั้ง กำหนดรูรรใ้ในส่วนที่ควระละในส่วนที่ควรทําให้แจ้งในส่วนที่ควรเจริญอันนั้นในรายละเอียดก็ไม่รู้จะถึงหรือเปล่าตรงนั้นนะยพอนี้จําทั้งนั้นเลยดเดี๋ยวนี้เอาแค่ไหนนะเอาวันนี้ให้เข้าใจก่อนวันพรุ่งนี้ใครว่ากันใหม่ใช่ไหมจนะ๊ะเพราะไม่มีความแน่นอนในชีวิตทั้ ง, งผู้สแสดงทั้งผู้ฟังไม่มีอะไรเลยเป็นเครื่องที่จะบ่งบอกแต่สามารถกําหนดเป้าหมายไว้ได้ว่าจะศึกษาให้จบประดามกนตรของพระพุทธเจ้านะี่ยนะ แต่ว่าในการที่เราตั้งเป้าหมายไว้มันมีอ น, นิจจังกำลังกำหนด อ, อยู่เยอะแยะใช่ัหมตอนนี้ก็เห็นอ น, นิจจังล่วงล่วงกันไปเยอะแล้วใช่ไหมใช่อันนี้จะรักษณะฉะนั้นวัตถุประสงค์ก็คืออย่างนั้นนั่นแหละนะว่าต้องการจะรัาสุภาพวิปลาที่เห็นว่างามในกายที่ไม่งามกิเลสและความเศร้าหมองนะเป็นสมุทยัยเป็นเหตุก่อให้เกิดภัยต่างๆ ต, ต, ต่อไปในวัฏะอย่างไม่มีที่สิ้นสุดฉะนั้นผู้จิเจริญกายานุปัสนาสเจตปฐานเนี่ย เมื่อรู้วัตถุประสงค์อย่างนี้แล้วก็ต้องทราบพุทธพจน์ในสติปัฏฐานสูตรเนี่ยนะที่กล่าวถึงการพิจารณากายในกายใน14บัีบดังที่ได้กล่าวนี้นะเริ่มตั้งแต่พิจารณาลมหายใจเข้าออกเป็นต้นอียาบทสัมปชัญญาเ็ปฏิกูลมณสิการบ์บัปทาตุมณสิการบ์บัปเป็นต้นเหล่านี้นะแล้วก็ป่าช้าทั้ง9พิจารณาเบ็ดเสร็จวัตถุประสงค์ให้ตั้งใจโดยในบทของกายานุปัสนาเนี่ยสมมุตินะ ถ้าหากกำหนดลมหายใจเข้าออกก็ยังไม่สามารถลาสุภาวิปลาสได้ท่านใกนกำหนดดียาบทถ้ากําหนดดียาบทก็ยังไม่ยังก็ยังเห็นว่ากายยิงามอยู่ท่านสอนสมบชัญญาบอกเอา้าทับินะปิเจรณาสมบชัญญาในฐานะเจดนะกล้าวไปถอยกลับคู่เข้าเหยียดออกยืนเดินนั่งนอนหลับตื่นพูดนิ่งวิ่งด้วยหไถจะรัปัสสวะก็ยังลบล้าความงามในกระจิกกายไม่ได้ท่านใพนพะิจารณาผมฝนเล่มปันเลยเลยกูลมาในจการบอกเลย เอาผมขนเล็บปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจไตม้ลเรานี่ยพิจารณาให้คนถ้ายังเห็นว่างามอยู่ใช่ไหมไปพิจารณาในความเป็นธาตุเลยในเนี้ยอ้าวร่างกายทั้งหมดนี่นะที่รวมเบสเซ็ตส์นี่นว่าอันนี้เป็นธาตุดินอันนี้เป็นธาตุน้ําอันนี้เป็นธาตุไฟนี่ธาตุลมอ้าวถ้าเห็นว่ากายงามอีกใช่ไหมท่านบอกอ้าวหนักแล้วท่านวันนี้หนักแนี่ยนอนแล้วขนาดพิจารณาอย่างนี้ก็ยังไม่สามารถที่จรละยังเห็นว่ากายนี่งามอยู่ใช่ไหมท่านบอกนพิจารณาป่าช้าก้าเลย นุนเอาศพมาดูจริงๆเลยเดี๋ยวนี้ศพที่ตายแล้วสองหนึ่งวันสวันสาวันไปพิจารณาอุทุมาตราการปฏิกรลัมมิเตอร์เหล่านี้พิจารณาศพที่ขาดเป็ น, นท่อนศพที่มีเลือดไหลอาศพที่เวาแวแหว ง, วงหรือสัตว์กินเป็นตัวเหล่าเนี้ยจนละเอียดไปจนกลายเป็นกระดูกเป็นขุยผมถ้าพิจารณาทั้งสิบสี่านี้ก็ยังไม่เข้าท่าเข้าทางเลยเนี่ยทนบอกโอ๊ยคุณต้องเจริญเวทนาแล้วเข้าใจไหมต้องไปหมวดเวทนาแล้วสงสัยไม่ถูกอธิยาใสแน่ ก็ไปเวทนาเอาเวทนาไม่ได้จิตตาจิตตาไม่ได้ธรรมมาวาสนาทํำไมได้ครบทั้งหมดเป็นเสร็จอย่างนี้แสดงว่าเป็นต้องทําให้เป็นวาสนาภารกิจแล้วนั่นเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยแก้พบต่อไปปัจจัยยังไแต่เราไม่เคยเอาจริงๆจังๆแบบนี้สักทียังไงแกอานาบันนาได้นิดเดียวได้อนาบันนอยู่นิดเดียวขึ้นบับแรกได้จาไม่ได้เบับที่สองยุ่งเลยฉะนั้นวัตถุประสงค์คือต้องการให้เห็นว่ากายสมมติว่าถ้าไปพิจารณาทราบสดจริงๆเนี่ยไปจอดอยู่ตรงนั้น ไม่งามจริงๆใช่ไหมกายทั้งที่มีชีวิตและไม่มีมีชีวิตหรือมีวิญญาณแล้วไม่มีวิญญาณเป็นต้นอะไรครั้งก่อนเนี่ยนะที่กล่าวในเรื่องของอาณาปานสติการพิจารณาลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทั้งสมถะือวิัสชนาจบไปแล้วนะก็รอบรู้ในสรีระอย่างละเอียดมีความเกิดเป็นเบื้องต้นมีความตายเป็นที่สุดก็เพียงพอที่จะเกิดความเบื่อหน่ายใครกําหนักก็จะสามารถจะพ้นอุปาทานการเจริญอาณาปานสติเป็นต้นได้ ทีนี้ถ้าหากว่าฟังอาณาปาณะแล้วเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจสามารถนําไปปฏิบัติเจริญจนจิตสงบจากนิวรณ์ทั้งหลายได้ก็คือการมาฉันทะปยาบาตีนิมิทาอุทะจักุกุจจาวิจิจิชาไม่ก้มรุมไม่ครอบงําเจริญแล้วก็เห็นคุณของพระาราชนตรัยมากขึ้นแล้วก็เห็นโทษของสังสารวัตรยินดีในการปฏิบัติเบื่อหน่ายในวัตะคกรายความกำํำลัดในอุปาทานกันห้ามมากขึ้นก็แสดงว่าการเจริญอาณาปณะสติของท่านคุณนั้น่ต้องต้องกับอัธยาศัยใช่ไหม เมื่อต้องกับอัจยาสัยก็แสดงว่าอาณาปานสตินั้นเหมาะสมกับท่านผู้นั้นก็เป็นเป็นกรรมฐานที่เขาเรียกว่าเป็นกรรมฐานประจำตัวของท่านผู้นั้นได้ถ้าสมมุติจเจริญแล้วเป็นไปดังที่ได้กล่าวนี่นะแต่ถ้ากําหนดอาณาปานสตินับแล้วนะนับหนึ่งไม่ถึงสิบลมสติก็หลุดซ้ายหลุดขวานี่นะเดี๋ยวก็คิดเรื่องน้นทีบงทีหนึ่งสสามี่ห้าพอเจอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหงายท้องแล้วนึก ไ, ไม่ค่อยออกเนะี่ยแสดงว่าก็ไม่ต้องอัจยาสายต้องเปลี่ยนแรกกรรมฐานนั้น จะเป็นกรรมฐานประจำกายประจำตัวก็ไม่ได้แล้วก็ต้องมาศึกษาในอยาบทบอกซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสไว้บอกว่าทัดชั้นโตวามุขุนมุขุนที่ว่าทัดชั้นโตวาทัชฉามีติประชานาติแปลว่าอะไรเมื่อเดินก็รู้ชัดว่าเราเดินที่โตวาทีโตมหิติประชานาติเมื่อยืนก็รู้ชัดว่าเรายืนนิสินโนวานิสินโนมหติประชานาติเมื่อนั่งก็รู้ชัดว่าเรานั่งสยานโนวาสยาโนมหติ ประชาติเมื่อนอนก็รู้ชัดว่าเรานอนทีนี้ตรงเนี้ยโดยทั่วไปบางแห่งนะบางฉบับอย่างนี้คําว่าถ้าเอาเราออกเขาใช้คําว่าเมื่อเดินก็รู้ชัดว่าเดินเมื่อเดินก็ย่อมรู้ว่าเดินเมื่อนั่งก็ย่อมรู้ว่านั่งเมื่อยืนก็ย่อมรู้ว่ายืนเมื่อนอนก็รู้ว่าว่านอนเขาตัดเอาคําว่าเราออกแต่จริงๆตรงนี้ไม่ต้องไปตัดนะคือให้รู้ว่าพยาญชนะคําว่าเราเนี่ยท่านกล่าวโดยฐานะให้รู้ ไม่ใช่ตัดคำว่าเราเพื่อกล่าวโดยฐานะให้ไปยึดพยัญชนะหรือยึดตัดตัวมีเราอยู่อีกเพราะโดยจุดประสงค์หรือมุ่งจุดมุ่งหมายการเจริญสริปัฏฐานในภาคของียาบทบ่บเนี่ยถ้าในละความเป็นสัตว์เป็นบุคคลอยู่แล้วใช่ั้มเดี๋ยวจะไปบอกไปดูอันตรธานทีนว่าต่อไปไปทําเขำคําว่ารู้ชัดเนี่ยมันมาจากคาว่าประชานาติคําว่ารู้ชัดเนี่ยนะแต่ว่ามาจากคาว่าประชานาติอย่างคําว่า คัดช ua, ั้นโตวาคัดฉาบมีปติประชานาติเที่ทยวเสวียนประชานาตินั่นเองแปลรู้ชัดหรือบางคนแปลยังรู้ทั่วก็ะดัในพระไตรปิฎกความหมายตามพยัญชนะเนี่ยที่จริงคําว่าปะนิ่ปะปะนี่เป็นอุปสรรคบางแห่งท่านก็ไม่ให้ความหมายไว้นะแต่บางแห่งท่านก็ให้ความหมายแปลว่าชัดตามหลักความหมายเนี่ยชาณาแปลรู้ ช, ช abeth, นะ ป, ประชานาติในที่นี้ท่านก็แปลว่ารู้ชัดรู้ชัดหรือไมช่ชัด รู้ทั่วเลยนะชัดเฉพาะจุดก็ไม่ได้ใชไม่ยากต้องรู้ทั่วเลยไหรู้ทั่วไหมต้องรอบรู้ด้ว ย, ยไหมนะ ร, รู้รอบไปแล้วกันี้รู้ทั่วรู้รอบก็แล้วกัปัญญานี่ยแหละรู้โดยประการต่างๆคือรอบรู้ไหนไหนในกองสังขารนั้นๆอะไรคือกองสังขารรูปเวทนาสัญญาสังขารมิยานี่ชื่อว่ากองสังขารอทำไมจึงเรียกว่าสังขารเพราะเป็นสภาพที่มีปัจจัยปรุงแต่ง อะไรละปรุงแต่งกรรมปรุงแต่งผิดปรุงแต่งอุตุปุงแต่งแลว้วก็อาหารปรุงแต่งอเอาแค่รู ป, ป, ปกายเนะะี่ยรู ป, ปกายที่มานั่งกันอยู่นี้ได้เนี่ยถามว่าถ้าไม่มีกรรมในอดีตจะมีรูปกายมานั่งอยู่ตรงนี้ไหมมีไหมมีถ้าปัจจุบันเนี่ยถ้ากรรมไม่คอยปุงแต่งหรืออุปถัมภ์อยู่เนี่ยรูปกายจะสามารถทรงกายนั่งอยู่อย่างนี้ได้ไหมไม่ได้ตอนนี้แตกดับไปหมดแล้วแค่กรรมอย่างเดียวพอไหมไม่พอใช่ไหม ต้องมีจิตั้่ถ้าไม่มีจิตเนี่ยรูปกายทรงกายอยู่นี่ไม่ได้ราะเนี่ยเราแค่ว่าแค่เวังแค่จิตยังไม่สามารถยกรูปกายให้ตั้งอยู่ได้ต้องเป็นกลุ่มชาวนะจิตทีนี้ถามว่าเอ๊ะถ้าเป็นกลุ่มชาวนะจิตเป็นต้นเหล่านี้ที่สามารถยกรูปกายให้ทรงกาอยู่ได้เนี่ยเอ้าแล้วแล้วมันชาวนะไม่ได้เกิดติดต่อตลอดเวลานี่ใช่ไหมใช่สาหรับผู้ศึกษาพระธรมเนี่ยมันมีการลงภวังเนี่ยแต่การลงภวังนั้นน่ยมันลงไม่มากถ้าใครลงมากเนี่ยนั่งคอหัก นั่ ง, งก็หักหมดแหละถ้าผวางมันลงยาวๆนี่นะทรงรูปกายอยู่ไม่ได้เพราะผวังกัจิตไม่สามารถที่จะรับหรือทําให้รูปกายทรงกายอยู่ได้พับลงทันทีทีนี้อาศัยว่าความประสงค์ความตั้งใจที่จะนั่งฟังมีอยู่ใช่ไหมการลงผวังก็ไม่มากเท่าที่ควรแต่ตัวปริมาณของโฉนจิตมันหลายแสนโกดขนาดคั้งหลายแสนโกดที่มันมีปริมาณอย่างมากมาย แล้วก็ทําให้จิตชาวยโยธาเกิดขึ้นจิตชาวยโยธาก็ทรงเขาเรียกยกรูปกายนี้ให้อยู่ในยาบดนั่งโดยมีวัตถุประสงค์ว่าจะนั่งฟังธรรมเห็นไหมว่าเนี่ยมันเกี่ยวกับกลุ่มชาวนะจิตเป็นต้นนะที่ทรงมือทําให้รูปกายนี้ทรงกายอยู่ได้แต่ถ้าหากว่าความประสงค์ของผู้นั้นไม่มีที่จะนั่งนะปล่อยพระวังไม่เป็นไปเรียบร้อยนั่งหลงบับหมดไม่มีใครสามารถจะให้รูปกายนั้นทรงกายอยู่ได้เลยแม้พระวังกัจิตมีก็ไม่สามารถทรงรูปกายอยู่ได้นั้นจิตนั้น่ะ แต่ถึงแม้ว่าหลักก็เชื่อว่าไม่ตายใช่ไหมแม้เพราะวังเกิดขึ้นติดต่อกันอยู่เนี่ยก็สามารถทําให้รู ป, ปกายอยู่ได้เพราะมีจิตไงเป็นตัวเป็นตัวทําให้จิตแต่จิตจิตแต่ช้รูปสามันนั้นทําให้รู ป, ปกายทรงกายทรงอยู่ได้แต่ทรงอยู่ในยาบทนอนอยู่ในในใ น, ในท่านอนที่ไม่ทับแม้ขณะที่นอนนี่นะนอนอยู่ถ้าตอนนั้นวิถีจิตเป็นบวงังปรจิตเนี่ยตอนนั้นเรียกว่ายาบทนอนไหมเรียกหรือไม่เรียกอา้าวคนที่ศึกษาว่าทำมาเนี่ย ในขณะที่นอนหลับอยู่ตอนนั้นเป็นผวังแท้ๆเลยน่ะตอนนั้นเรียกว่าียาบทนอนไหมผวังก็จิตไม่ได้ทำํำียาบทนะลูกที่ทำํำียาบทนั้นไม่ใช่นะใช่ไหมผวางก็จิตเกิดขึ้นยังไม่สามารถที่จะประคองอียาบทยืนเดินนั่งนอนได้เลยตอนนั้นก็ต้องบอกแมอียาบทเกิดหรือไม่เกิดเกิดหรือไม่เกิดมีการจะพลิกใบมาได้ไหมตอนนั้น่ะไม่ได้แล้วผวังจะพิชพิชจะพิกได้ยังไงใช่ไหมต้องขึ้นวิถี นอนอยู่เฉยๆรู้สึกตัวที่จะพลิกได้นั่นแหละียาบทนอนทั้งนี้ใช่ไหมจ๊ะถ้ามันลงผวังไปแล้วแต่ว่าเป็นจิตแต่ชั่ปที่มันเกี่ยวกับไม่ไ ม, ไม่ไม่ทำียาบทแล้วตอนนั้นต้องบอกว่าไม่ทํำียาบทแล้วไม่มีียาบทแล้วมันไม่มีใครมากําหนดอะไรนะไม่มีใครมารับรู้อะไรนะถ้ายังนอนพลิกไปพลิกมาอยู่เรืียกียาบทนอนใช่ไหมจ๊ะแต่ถ้ามันลงผวังไปหมดแล้วทําไง มันไม่ยกอิยาบทอะไรขึ้นมาแล้วตอนนั้นเนี่ยจะบอกว่าเหมือนตายก็ไม่ได้เพราะหายใจอยู่เขาทําหายใจเขาทําลมหายใจทําจิตจ ะ, ะโลิสามมันไม้เกิดอยู่ใช่ไหมทําลมหายใจเกิดขึ้นได้แต่ไม่มีชาวนะไม่มีความรู้สึกในปัจจุบันเราพบแล้วนะจิตนี้อยู่เป็นระวังเป็นปรวังกับจิตเกิดดับสืบต่อเป็นไปตามลําดับใช่ไหม<ๆ>เขาเรียกว่าอิยาบทขาดแล้วอิยาบทขาดแล้วเราก็เลยบอกว่าเหมือนคนตายนะอะไรงไง<ๆ>เหมือนนะไม่ใช่ของจริงนะ ของเหมือนไม่ใช่ของจริงแหามันเหมือนนั่นแหละแต่มันไม่ใช่จริงแต่ถ้าตายไม่หายใจโอนี้ตายจริงไม่เหมือนที่ตายจริงไม่เหมือนนี่เป็นอย่างนั้นฉะนั้นอียาบทเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นจากความประสงค์ความจงใจความตั้งใจที่จะให้มีขึ้นมันต้องต้องเป็นอย่างนั้นใช่ว่าเราจะนอนตอนนั้นเนี่ยมีอียาบทนอนอยู่ใช่สิมันก็ขาดเป็นช่วงๆอียาบทนอนก็ไม่ใช่อียาบทนั่งอียาบทนั่งก็ไม่ใช่นอน นั่งก็ไม่ใช่ยืนยืนก็ไม่ใช่นั่งเดินก็ไม่ใช่ยืนมันขาดเป็นช่วงหมดแล้วแต่ด้วยการที่เรากําหนดไม่ถูกเลยไม่รู้ว่าช่วงไหนเป็นยามดต้องทางําทความเข้าใจจากการศึกษาพระธรรมเมืม่อศึกษาพระธรรมก็ไปไข่ทวรไปทิ้งไปพิจารณาไปเสร็จแล้วจะเห็นความขาดตอนของแต่และยาบทแล้วเราจะเห็นว่ารูปที่เป็นไปในขณะเดินก็ดับแล้วในขณะเดินนั้นะรูปน้ำนะรูปน้ําที่เต็นไปในขนาดนั่งก็ดับแล้วไปในขณะที่นั่งไม่มาถึงในขณะที่ยืน รูปน้อนรูปที่เป็นไปรูปรูปน้ําที่เป็นไปในขนาดยืนก็แตกดับไปแล้วในขนาดยืนไม่มาในขนาดเดินรูปน้อนที่เป็นไปในขนาดเดินรูปน้ําที่เป็นไปในขนาดเดินก็แตกดับในขนาดเดินนนัไม่มาดิงขนาดนั่งหรือรูปน้ําที่เป็นไปในขนาดนั่งก็เพดไม่ไม่ไม่เลยไปดิงในขนาดนอยก็อย่างนี้ครับฉะนั้นอียาบทเดอต่างๆมีการเดินการยืนการนั่งการนอนนั้นเป็นกายประโยคน์คะคําว่ากายประโยคะกายประโยคเนี่ย เขาเรียกเป็นกายเยวินญัต์หมายถึงการขยับเยื่อนเคลื่อนไหวทางกายนะทีนี้ถ้าดูในอัจฉริยะที่กําลังจะกล่าวถึงเนี่ยในอัจฉริยะที่ขยายพระบาลีอ่ะต้องต้องถูกต้องชัดเจนพระบาลีหมายถึงพุทธพจน์นะเป็นคําพูดของพระพุทธเจ้าทักษบาลีแต่ระบทมีความหมายอย่างไรนั้นต้องมีคําอธิบายฉะนั้นคาอธิบายพระบาลีถ้าเรียกว่าอาจาาัจฉริยะทีนี้อาัจฉริยะ สติปัฏฐานสูตรของมัจจิมาลิกาชื่อว่าปัปันยสูทเนียอัตถาอัตถาที่เรากําลังจะศึกษาค่ะเนี่ยวิธีขยายความตามพระธรรมคําสอนในพระไตรปิฎกเนี่ยมีหลายวิธีมีมหลายตัวอย่างเช่นในยาบทบพธาเ น, นี่ยท่านอธิบายแบบปฏิเสธก่อนให้สังเกตดูนะแล้วต่อไปศึกษาอัตถาเนี่ยต่อไปเราจะเป็นการเรียนรู้ในการเรียนก็ใจปิฎกต่อไปเวลาไปอ่านพระไตรปิฎกเราจะเริ่มเข้าใจแล้วดังนั้นการศึกษาในเนี่ยท่าน อาจารย์ท่านอธิบายแบบปฏิเสธก่อนแม้ในคัมภีร์อื่นๆนะเราก็จะพบแบบนี้เยอะเช่นในมงคลสูตรเนี่ยที่ท่านตรัสว่าอาศัวนาจะพาระนางปันติตานันจะเสวนาแปลว่าไงเชื่อแปลหน่อยดิอาศัยวนาจะภาระนางปันติตานันจะเสวนาเนี่ยแปลว่าไงอย่างนี้ปฏิเสธหรือรับก่อนเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสถึงสิ่งที่เป็นมงคลข้อแรกคือให้หลีกเลี่ยงให้หลีกเลี่ยงคนพานข้อสองก็ให้ สมาพมงไม่ครบกับบัณฑิตใช่ไหมฉะนั้นอัธกถามงคลสูตรอธิบายพระองค์ทรงสอนนึ้วข้อห้ามก่อนแล้วก็ตรัสข้ออนุญาตเหมือนอะไรเหมือนคนที่ฉลาดที่บอกทางเนี่ยท่านก็จะบอกว่าอย่าไปทางซ้ายนะจงไปทางขวาเถอะท่านจะบอกในปฏิเสธก่อนแล้วก็บอกในรับคือบอกข้อห้ามก่อนแล้วก็บอกข้ออนุญาตในภายหลังเั่นใดในปะปัจะสูทธนีอัธกถาเนี่ยนะในสติปัฏฐานสูตร ท่านอธิบายนในลักษณะนี้ไว er ้ก่อนว่าการเจริญสติปัฏฐานในยาบทบพันเนี่ยถ้าเจริญผิดจะมีลักษณะอย่างไรดังข้อความตรงต่อไปเนี่ท่านอาจารยาจารย์ได้บอกว่าสุนัขบ้านยิ่งยังข้อความที่เป็นความรู้ที่ที่เป็นสติปัฏฐานที่จริงบอกว่าตรงเนี้ยท่านต้องบอกว่าไม่เป็นสติปัฏฐานนะที่ไม่ใช่สติปัฏฐานนะความรู้ที่ไม่เป็นสติปัฏฐานนะอันแรกนี่นะถึงสุนัขบ้านสุนัขจริงจอบเมื่อมันเดินเมื่อมันเดิน เมื่อเดินเนี่ยแะก็รู Turn ้โดยแท้ว่าว่ามันเดินตรงนี้โดยสรุปก็คือว่าเมื่อเดินก็รู้ว่าเรากําลังเดินแต่การรู้นั้นเมื่อมันเดินก็รู้ว่ามันเดินเมื่อมันยืนก็รู้ว่ามันยืนเป็นต้นนี่ยนะสรุปก็คือถ้ามันวิ่งมันจะรู้ว่ามันวิ่งมันล้มตัวลงนอนมันก็รู้ว่ามันล้มตัวลงนอนไปต้นเนี่ยโดยสรุปก็ต้องอย่างนั้นแหละสรุปโดยปกติแล้วคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยถามว่าเขารู้ไหมคนธรรมดาเนี่ยเมื่อเขาเดินเมื่อเดินเขาก็รู้ว่าเดินเมื่อนอนก็รู้ว่านอนเมื่อนั่งก็รู้ว่านั่ง เมื่อยืนก็รู้ว่ายืนแต่การรู้อย่างเนี้ยไม่ใช่สติปัฏฐานเพระองค์ไม่ได้ตัดหมายอาการรู้แบบนี้เพราะการรู้แบบนี้การรู้แบบอะไรรู้แบบสัญชาติญาณและทร ง, งทางธรรมท่านเรียกว่ารู้ด้วยจิตเป็นการรู้แบบวิญญาณทั่วไปนี่จะปุญญาเป็นเจ้ารู้วันนี้ศึกษาในภาคของปัญญาลิเทศกันก็เอามาแปลเอาบาลีมาปแปลกันนั่งอธิบายกันอยูท่านบอกว่าหนึ่งรู้แบบ สัญญารู้สองรู้แบบวิญญาณรู้สามรู้แบบปัญญารู้อิรู้แบบสัญญารู้มันรู้จําอย่างนี้ไงวันนี้สีเขียวสีขาวสีดําสีเหลืองก็ว่ากันไปอย่างนี้รู้แบบสัญญารู้ใช่ไหมถ้ารู้แบบวิญญาณรู้อ่าอันนี้รู้แจ้งวิญญาณเนี่ยสามารถที่จะไปรู้สิ่งต่างๆได้แล้วก็รู้อันนี้จำทุกขังทุกตาก็ได้ด้วยแต่แต่ไม่สามารถที่จะเป็นปัจจัยเก่การบรรลุอริยมรรคผลได้ ไม่รู้อย่างวิญาณเนี่ยส่วนรู้อย่างนึงคือรู้แบบปัญญารู้แบบวิปัสนาปัญญารู้อันทิ่สีเป็นปัจจัยในการแทงตลอดอริยมรรคท่านก็เลยยกออกมาไงรู้แบบสัญญารู้เนี่ยเหมือนเด็กรู้รู้เหรียญกระสอบอ่ะเด็กเนี่ยถามว่ามันสามารถรู้เงินได้ไหมเด็กเล็กเล็กรู้ดันเงินเนี่ยใช่ไหมสีสวยแล้วไม่สวยเป็นต้นเหล่าเนี้ยแต่จะให้รู้มากไปกว่านั้นไม่ได้แต่ถ้าหากว่ารู้แบบสัญญารู้เออรู้แบบปิญญารู้ก็เหมือน มือนคนบ้านนอกรู้เงินกอสามารถเอาไปใช้จ่ายได้ที่เป็นเงินเท่าไหรเท่าไหรเนี่ยเขารู้นะคนทั่วไปแต่จะเป็ให้รู้ละเอียดไปกว่านั้นก็ไม่ได้แต่รู้แบบปัญญารู้จะบอกว่าเหมือนกับคนผลิตเหรียญกระสาบออกมาอยู่ในกองกระสาบเขาผลิตมาเนี่ยเขรู้ปลอมไม่ปลอมแล้วก็ทํารุ่นไหนอย่างไรแล้วมีน้ําหนักใส่ใส่ดีบกเท่าไรใส่แร่เท่าไรใส่ทองแดงเท่าไหรใส่เงินเท่าไหรเขารู้รายละเอียดหมดถึงใช่ไม่ใช่ นั้นการรู้แบบปัญญารู้มันก็เลยอย่างในที่เนี้ยท่านยกตัวอย่างว่าสุนักบ้านสุนักิ่งจอกเมื่อมันเดินยืนนั่งนอนเป็นต้นมันก็รู้การรู้แบบเนี้ยไม่เรียกว่าสติปัฏฐานเพราะเป็นการรู้แบบสัญญารู้แบบวิญญาณเป็นต้นอย่างนี้ก็แค่วิญญาล้วนสุนักนี่นะหรือบุคคลทั่วๆไปก็เหมือนกันรู้อย่างนี้ไม่สามารถละศัตรูประที่ที่ท่านบอกไว้ไม่ประกอบด้วยใจสิกขาไม่เป็นไปตามพระธรรมคาสอนของพระเจ้าไม่เป็นข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความสิ้นทุกข์ ทีนี้ถ้าสมมุติว่าการรู้แบบคนทั่วๆไปแบบนี้นะว่าเป็นการรู้เป็นการรู้เป็นการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยทุกคนก็ต้องได้บรรลุนิพพานไปหมดใช่ไหมใช่เพราะทุกคนที่ไม่ไม่ต้องมาศึกษาพระธรรมคำสอนเขาก็สามารถรู้ว่าเมื่อยืนเขาก็รู้ว่ายืนเมื่อเดินก็รู้ว่าเดินเมื่อนั่งก็รู้ว่านั่งเมื่อนอนก็รู้ว่านอนถ้ารู้เพียงนี้เป็นการเจริญเป็นการเจริญสติปัฏฐานแล้วเนี่ยคนอายุเจ็ดขวบมันบรรลุหมดใช่ไหมใช่เพราะเขารู้เนี่ยอย่ังไงยางโยอมถามว่า ยืนนั่งอยู่ยอมรู้ไหมยอมนั่งอยู่นอนรู้ไหมว่าจะนอนเดินรู้ไหมเดินใช่ไหมยืนก็รู้ว่ายืนการรู้อย่างนี้เนี่ยถามว่าถ้าบรรลุแสดงว่ายอมก็ต้องบรรลุตั้งแต่เจ็ดขวบแล้วเพราะในสติปัฏานนั้นตัดไว้เนี่ยใช่ไหมนั้นตัดไว้เนี่ยว่าคนเจ็ดขวบบรรลุได้อในพระธรรมถ้าเจ็ดขวบก็บรรลุกันหมดเลยแต่นี่ที่เดินกันอยู่ทั่วโลกเนี่ยก็รู้กันทั่งนั้นยืนเดินนั่งนอนฉะนั้นการรู้ แบบนี้ท่านจึงปฏิเสธว่าไม่เป็นกรรมฐานใมเป็นการเจริญสติปัฏฐานด้วยเพราะอะไรเพราะทุกคนที่ไม่ได้ศึกษาไตรสิกขาที่เป็นคำสอนก็รู้เองแบบนี้มานานแล้วฉะนั้นการู้แบบนี้เป็นปัญญาเป็นสมาธิฏฐิในอริยมรรค mm hmm. พระพุทธเจ้าไม่จําเป็นต้องนาอําอริยาบถบพระมาสะแสดงอีไม่เห็นมีตุวางจําเป็นต้องมามาสแสดงเลยฉะนั้นการรู้อย่างนี้จึงไม่เชื่อเป็นการเจริญสติปัฏฐานในวัฏฏมีไนยใช่ไหมใช่ เราก็รู้กันหมดอะไรที่ไปยืนเดินนั่งนอนกันมาเบ็ดเสร็จเนี่ยแต่การรู้อย่างนั้นน่ะท่านปฏิเสธว่าเป็นการไม่ใช่เป็นการเจริญสติปัฏฐานทีนี้ท่านก็ถามว่าและการรู้แบบไหนอที่เป็นการเจริญสติปัฏฐานทีนี้การรู้ด้วยปัญญาของผู้บำเพ็ญไตสิกขากล่าคือศีลสมาธิปัญญาและการเจริญสติปัฏฐานภาวนาที่ถูกต้องนั้นต้องล่าอะไรตรงนี้ท่านบอกต้องล่าอะไรเนี่ยละสัตตูปรักที่คือความยึดถือว่าเป็นสัตว์ได้ และก็ถ่ายถอนอัตตาสัญญาอัตตสัญญาคืออะไรคือความสําคัญว่าเป็นอัตตาได้และละลกิเลสก็คือตัณหามานาัทิถีได้ด้วยจึงจะเป็นการเจริญกรรมฐานที่ถูกต้องเป็นการบําเพ็ญไกลสิขาในพระพุทธศาสนาถ้าใจอย่างฉะนั้นตรงนี้ต้องละเนี่ยสัตตูประลักทการยึดถือว่าเป็นสัตว์ต้องถอนตรงนี้ออกให้ได้และต้องถอนอัตตาสัญญาความสําคัญว่าเป็นอัตตา โอเคได้ถ้าละตรงนี้แล้วต้องละตัณหาละมารณ์ละทิฏฐิแล้วก็จึงจะเป็นการเจริญกรรมฐานที่ถูกต้องเป็นการเรียนไตรสิกขาในพุทธศาสนาทีนี้ระหว่างบุคคลสองคนนี้คือผู้เจริญสติปัฏฐานกับบุคคลที่ไม่เจริญสติปัฏฐานนี่ต่างกันยังไงต่างกันตรงไหนต่างของว่าคน2คนเนี่ยคนเจริญสติปัฏฐานเขาก็มีการยืนเดินนั่งนอนคนไม่เจริญสติปัฏฐานเขาก็มีการยืนเดินนั่งนอนถามว่าเอาแล้วก็ต่างกันตรงไหน คนเจริญสติปัฏฐานกับไม่เจริญสติปัฏฐานเนี่ยเห็นไหมใช่ไหมย้อม<ช><ช>ยอ ม, ย อ, ม, ย อ, มอยู่บ้านเนี่ยยอมยืนเดินนั่งนอนไหมมา ย, ยืนเดินนั่งนอนใช่ไหมแล้วคนที่เขาไปเจริญสติปัฏฐานเขาก็ยืนเดินนั่งนอนเหมือนกันแล้วถามาต่างกันตรงไหนใช่ต่างตรงรู้ชัดต่างประชานติต่างตรงนั้นแหละฉะนั้นนะพระ อ, องค์จึงตรัสหมายการรู้ชัดด้วยปัญญาญานเนี่ยเป็นการรู้แบบปัญหนแบบมหาภูษณ์ยาณะสัมปยุทธ์แบบมหาภูษณ์ยาณสัมปยุทธ์แบบ ตือกุศลที่สองแล้พาะตือประกอบไปด้วยปัญญาโดยเฉพาะเน้นอธิปัญญาศิขาเป็นพิเศษเนะ่เน้นอธิปัญญานะถึงจะจัดรู้ชัดใช่ไหมท่านตรงเนี้ยอัจฉริยท่านถึงบอกว่าเพื่อความเข้าใจที่ไม่เละเลือนเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องท่านเลยตั้งคําถามเลยท่านเลยตั้งคําถามเห็นไหมการรู้ที่พระองค์หมายว่ารู้ชัดอย่างนี้ใครเดินการเดินของกายเดินได้เพราะเอะไรจึงเป็นการยืนการนั่งการนอนก็ถามในรักษาหนนี้กันเห็นไหมเพื่อความเข้าใจถูกต้องท่านตั้งคําถามเลยหนึ่ง บทว่าเนี่ยเขียนหนึ่งไว้เในี่ยใครเดินเนีย่ยตรงนี้นะสองการเดินของใครเนี่ยบทว่าเห็นไหมสามก็คือว่าเดินเพราะเหตุอะไรเห็ น, นยังคำถามสามข้อในยาบทในยาบทเดินเนี่ยตั้งคําถามสามคำถามถามว่าใครเดินการเดินของใครเดินเพราะเหตุอะไรถ้ายาบทนั่งถ า, ถามยังไงใครนั่งการนั่งของใคร นั่งเพราะอิยฉาอะไรถ้ายาบทยืนล่ะไทยยืนการยืนของไทยยืนเพราะเหตุอะไรถ้ายาบทนอนอ่ะเห็นไหมเขาบอกว่านักปฏิบัติถ้าาตั้งคําถามไม่ถูกและตอบคาถามไม่ได้อย่าไปปฏิบัตินป็นวันให้กลับมาใหม่แล้วกลัมาตั้งคําถามเนี่ยกี่คําถามสามสี่เท่าไหร่สิบสองคำถาม ต้องตั้งสิบสองคำถามนมี่ให้ได้ทีนี้จะตั้งไม่ได้แล้วตั้งได้แล้วตอบไม่ได้ก็อย่าไปปฏิบัติให้กลับมาใหม่แล้วมาตั้งคำถามตัวเองใหม่วิ่งกลับไปกลับมาอย่างนั้นแหละทีนี้เวลาไปเจริญกรรมฐานบอกทําไมต้องมาตั้งคําถามแบบนี้ <c oughs> ก็ต้องย้อนถามบอกว่าคุณเวลาอยู่ข้างนอกคุณยืนเดินนั่งนอนไหมอายุ <c oughs> ใช่ไหมเอาบอกต่อไปจะปฏิบัติแล้วแคุณก็ยังยืนเดินนั่งนอนใช่ไหมเอาถ้าคุณไม่ตั้งคําถามว่า ลักษณะคําถามอีกสองคำถามแล้วหาคำตอบไม่ได้แบบนี้เบลเสร็จแล้วเนี่ยนั่นมันจะต่างอะไรกับคุณไม่ปฏิบัติกับคุณปฏิบัติเลยนั้นการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติเนี่ยมันต่างกันตรงที่จะต้องตั้งคําถามได้แล้วตอบคาถามได้แล้วต้องรู้ชัดในการในคําถามนะั้นนะด้วยใช่ไหมใช่ดังนั้นก็ยุ่งแล้วถ้าตั้งคําถามไม่ได้แต่จะไปปฏิบัติเนี่ยมันเหมือนว่าอยากจะไปทํางานแต่ก็สอบสัมภาษณ์แล้วสอบไม่ผ่านแล้วจะให้ไปทํางานไหมเนี่ยเขาก็ไม่ให้ไปหรอกคุณอย่าเข้าไปเธอเพราะคุณตอบไม่ได้ ใช่ไม่ใช่คุณต้องตอบคําถามแล้นั้นารยนถึงบอกว่าเพื่อความไม่เลื่อเรือนที่บอกว่ายืนก็เช่นเดียวกันนะก็ต้องลักษณะอย่างนั้นแหละสรุปแล้วก็คือสิบสองคำถามถ้าตอบคําถามเหล่านี้ได้ทั้งหมดนั่นแหละจึงเรียกว่าเป็นผู้เข้าใจในการเจริญสติปัญญาในเบื้องต้นของอิยาบทบาปอย่างถูกต้องใช่ไหมต้องตอบคําถามใ ห, ถให้ถูกต้องให้ถูกต้องเรียกว่าเข้าใจในเบื้องต้นนะ เนี่ยเขาเรียกเบื้องต้นที่เคยไปปฏิบัติกันเะนี่ยได้ตอบคำถามพวกนี้มัก็ดีแล้วเ็าบอกว่าก็ออยอมยังไม่เคยไปปฏิบัติเลยบอกว่าท้ไมอายุต้องมากขนาดนี้ยั ง, ยงไม่อตอบไอตรงนี้เป็นเรื่องที่จะต้องทําความเข้าใจนะว่าทีนี้บทว่าใครเดินเนี่ยไม่ใช่สัตว์ตัวไหนเดินไม่ใช่คนไหนเดินไม่มีไม่ได้มีสัตว์บุคคลอะไรไปเดินไม่มีใครไปเดิน ดังนั้นคําถามที่ว่าใครเดินเนี่ยเป็นคําถามที่เป็นเป็นโมฆะเลยเพราะถ้าแยกแยะวิเคราะห์ให้ละเอียดตามสภาวะธรรมแล้วเนี่ยโดยควา ม, มโดยมีขันธะตยัตตนะโดยป ต, ติจจสนบาตแล้วไม่มีสัตว์อยู่จริง ล, งลยองไล่ดูดีมีสัตว์อยู่จริงไหมไม่ใช่สัตว์เดินไม่ใช่บุคคลเดินไม่ใช่หญิงฉะนั้นถึงบอกว่าเดินก็รู้ชัดว่าเราเดินเนี่ย ตรงนั้นน่ะถ้าไปวิเคราะห์ตามหลักของเหตุผลแล้วมันไม่มีคําว่าสัตว์บุคคลอยู่ในนั้นไม่มีตัวมีตนอยู่ในนั้ น, น, นไปไล่รายละเอียดจริงๆเนี่ยจึงบอกว่าคําถามนี้ไม่มีเป็นเป็นโมฆะที่ท่านตั้งขึ้นมาเพื่อเราเข้าใจอะว่ามันไม่มีสัตว์รายๆายไปเดินเลยว่างั้นเถอะทีนี้เพียงคําถามแรกๆเนี่ยเพียงประโยคแรกๆมันก็แย้งกับความรู้สึกของเราที่รับรู้มานานแล้วถ้าถามว่าใครเดินเนี่ยเราก็จะตอบต่อว่าเราเดิ น, ชนใช่ไหมใช่ใไหม เราต้องถอบว่าเราเดินจะใครอีกแล้วก็นี้่ถ้าเราเป็นใครนั่งเนี่ยนนก็เราไมา่น <c oughs> ั่งว่าก็ความสําคัญของเรามันเป็นอย่างเงี้ย <c oughs> ที่ถามว่าเอา้าไล่หน่อยผมใช่ไหมที่เราอะ่ะใช่ไหมผมอ่ะผมใช่ไหมเราลองลอ ง, ลองถอนผม <c oughs> ออกมาดูที่มันอยู่ตรงไหนคําว่าเราอะ่ะมันอยู่ตรงไหนขนใช่ไหมเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอย่าต่างชื่อคุณยังชื่ออะไรฮะนันทานันทาใช่ไหมเอาคําว่านันทาอยู่ตรงไหน ก็ไม่ใช่อยู่ตรงไหนแล้วต้องเอาออกมาให้ดูดิมีอยู่จริงไหมคาว่านันทามีอยู่จริงไห ม, ม, อมลองดิผมใช่ไหมที่เรียกว่านันทาขนใช่ไหมเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไรอะไรใช่ไหมมันไม่มีอยู่ใช่ไหมแต่รวมเบ็ดเสร็จเลยมาสมมุติกันวันนี้คือนันทาถ้าคําว่านันทานมีอยู่ที่ไหนเล้วมันเป็นคําสมมุติกันขึ้นมา แล้วถามว่าหญิงกันอยู่ตรงไหนความเป็นหญิงอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่ที่ผมที่ขนที่เล็บที่ฟันที่หนังที่เนื้อที่เอ็นที่กระดูกเยอะในกระดูกใช่ไหมมันมีอยู่จริงที่ไหนคําว่าหญิงและชายก็มีอยู่จริงคําว่าสัตว์บุคคลมันก็ไม่ได้มีอยู่จริงคําว่าอัตราตัวตนต่างๆมันก็ไม่มีอยู่จริงใช่ไหมแต่ได้วิปริตมนสิการของสัตว์โลกเนี่ยที่ไม่ได้ศึกษาประทับคำสอนให้ดีเนี่ยด้วยการสมมุติบัญญัติว่าชื่อนู้นชื่อนี้มันก็เต็มกันมาอย่างเนี้ยมันถอนไม่ได้ฉะนั้นการรู้ว่าเราเดินเนี่ย ใช่ไหมการรู้ว่าที่ท่านถามว่าใครเดินอั้นยิ่งไม่มีไงไปไล่ให้ละเอียดโดยขันโดยอยายตนะโดยท่าโดยศาสตร์ศาสโดยปฏิจจสมบัติเป็นต้นไม่มีอยู่จริงล้วก็ถูกหลอกกันมาอย่างเงี้ยใช่ไหมถูกหลอกใครหลอกใครหลอกเราเนี่ยตัณหาวิชาหลอกเราใช่ไหมั้นหลอกเราไหมต้องไปนั่งพิจารณาโยทีแบบเดี๋ยวอย่าลืมไปสงสัยไปนั่งดูกระจกเองนี้มันใครอย่างเงี้ยใช่ไหม เดี๋ยวมันเกิดไปสงสัยขึ้นมาเดี๋ไปดูกระจกเอ๊ะมันใครมันใช่เราไหมเนี่ยเอ๊ะถ้าพิจารณาอ่นี้พอเข้าใจพอจะถอนออกได้ที่ปัญหาก็คือว่าเนี่ยเพราะเหตุผลตรงนี้เรามันถอนไม่ได้ไงถอนอัตตาสัญญาสอนสัตตสัญญาเป็นต้นไม่ได้สอนคําว่าสัตว์บุคคลออกไม่ได้มันถอนไม่ได้เหตุที่ถอนไม่ได้เพราะตัณหาวัชิถีไปยืดแล้วก็อยู่ด้วยตัณหาวัชิถีมาเป็นเวลายาวนานมากเพราะแค่วันเดียวเรามานั่งฟังแบบเนี้ยมันมันมันค้างความรู้สึกเก่า ยังรับไม่ได้รับไม่ได้ใช่ไหมรับไม่ได้คำว่าเราเนี่ยมันมันมีอยู่แต่ท่านบอกพระพุทธเจ้าบอกว่าเราไม่มีเนี่ยใช่ไหมสัตว์บุคคลไม่มีเนี่ยความเป็นหญิงเป็นชายไม่มีอยู่จริงเนี่ยพอไม่ได้ยินอย่างนี้ขึ้นมาเอาไอ้ความเข้าใจของเรามันผิดมานี่เพราะในสังสารวัฏมันผิดมาอย่างนี้อย่างยาวนานแล้วแล้วมันจะเย็ดกันมาแบบเนี้ยใช่ไหมถ้ามาไล่รละเอียดดูดิ ผมใช่ไหมเราผนใช่ไหมเราเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นก็อยู่เมื่อให้ดูในรายละเอียดไม่มีคำว่าเราอย่างนั้นไม่มีความเป็นหญิงเป็นชาอยอย่างนั้นเลยเนี่ยพอเลิกมันก็ต้องค่อยๆไ่ทวนไปอีกครั้งแรกมันก็เป็นแบบนะี้แล้วต่อไปพอปัญ ญ, ญาทาํำกิจมากขึ้นตอนนี้จะได้ชัดเจนขึ้นท่านแม่เราไม่ทราบมันเป็นาามาอย่างนี้ตั้งนานแต่ที่ที่พอเราทราบแล้วมันทำไมยังละยากยากเพื่อนเกตรงนี้เมื่อก่อนที่ยอรับว่าเราไม่ทราบใช่ไงานมันฝังมันอย่างนี้ เดินถ้าเหมือนกันเรื่องแน่นอนถ้าเหมือนกันไอ้คําตรงนี้พอมารูพระพุานาเตีเนี่ยมันเริ่มคิดแล้วใช่ไหมฮะตอนนี้นะก็ยอมรู้เหมือนอะไรรู้เนี่ยรู้เหมือนจะโยนก้อนหินลงในจอบแหนะนี่มัน ย, ยังแย่ไปเลยก็เหมือนคุณโยมนะคือมันมั น, ม, นมันปิดมาตั้งนานแล้วเนี่ยนี่คุณโยมได้ก้อนหินก้อนหนึ่งยังไม่มองมันนี่เฮ้ยไม่มีนะ้ํามันมี แ, นแต่จอกแหนะเต็มไปหมดนี่นี่ก็มีคนตาดีบอกว่าเอ้ยโยนลงไปที เอก oh, ้นหินโยนลงไปในน้าพอโยนโตมัจอกแหนมันกระจายโอ้เห็นน้ํามีจริงๆด้วยใช่ไหมพอเข้าใจเบียเสร็จแล้วยโยไม่ค่อยควรต่อต่อมาจอกแหนมาปิดอย่างเดิมเอ๊ะมันละไม่ได้เข้าใจยังนะมันรู้น้อยไปไงรู้มากๆบ่อยๆนานๆยาวๆในตึงจริงคือโยนบ่อยๆเข้าใจว่าโยนก้นหินลงบ่อยๆนะเข้านะเข้าเดี๋ยวจอกแหนจะลอยไปที่อื่นนะเข้ามันจะไม่กลับมาแล้วเอาให้เป็นอย่างนั้นจนวันใดวันหนึ่งอะ จนวิทเอาจอกแหน่ขึ้นข้างบนหมดมันจะเห็นน้ำใสแล้วตอนนี้วันนั้นนั่นแหละยอมจะอ๋อพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตัดสู้จริงพระทําคําสอนของของพระพเจ้านั้นน่ะปฏิบัติแล้วพ้นทุกข์ได้จริงพระริยสงท่านประพฤติปฏิบัติดีแล้วก็พ้นจากทุกข์ได้จริงพระราชนตรัยเราจะเห็นคุณของพระราชนตรัยชัดเจนก็วันนั้นวันที่ตัดสู้ได้ตอนนี้อย่างอย่างเนี้ยใจเราตั้งใจใจ่ ม, ใจมาปฏิบัติมาตั้งต่อให้ชัดแต่สิ่งที่มันมี คบบรรือคือตรงนั้นก็คืออะไรรนะ <c oughs> ู้ไงมขันห้ามันเป็นไมันเป็นมานของเราเองขันถ้ามานี่แหละบางทีเราก็โดนหลอก <c oughs> โดนรูปก่ะขันหลอกนั่งนั่งไม่ได้กวนหลังมันหลอกั้นอาจารย์ตรงนั้นย่งมเข้าใจอย่างกุญแจช่วผมเองยังยังไม่คี่จะมาเลยณยังไงนะฮะเอาเพานั่นป่ยแล้วค่ะงาบคุณน้อยป่วยคอนม่อยเดออก เราก็ตั้ง่อยที่ไม่มีรถมาไม่มีเรื่มาไม่ได้ตรงนี้ก็ถฉยว่าเป็นเป็นมารนะครับใช่เป็นเป็นมารแต่อันนี้เด็กอะไรมาครันข้ามาเราก็ตั้งใจคอยอยู่แต่เราก็มาไม่ได้อย่างเงี้ยใช่ไหมครัมันจะมีอย่างนี้ตลอดชีวิตของเรามีเรื่องแบบเราเอาเอางี้นะว่าถ้าถ้าเราขจัดสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เขาเรียกว่าพตามหลักคําสอนเนี่ยเขาบอกถ้าตัดปริพล่านี้ไม่ได้พ้นทุกไม่ได้พ้นทุกไม่ได้ ต้องต้องต้องตอบตรงตรงอกว่าถ้าตัดปริโพอ์กังวลไม่ได้ก็พ้นทุกไม่ได้บางคนที่เขาจะพ้นทุกนั้นก็ตัดมีปริโพอ์คือเครื่องกังวลทั้งปริโพอ์ใหญ่ๆและปริพอ์เล็กๆน้อยได้แม้แต่พระเองยังต้องตัดปริพอดใช่ไหมถามว่าพระมีห่วงกังวลเยอะไหมมีสิเช่นผมไม่ได้ตัดไม่ได้โกนเลยเล็บเป็นตนเล็กเล็กๆนน้อยบางครั้งกุฏิไม่ได้ซ่อมบางอะไรบ้างเนี่ยอันนี้หรือความเจ็บป่วยต้องท่านนี บางทีท่านบอกเอ๊ะเราจะมาอะไราอาวรกับกษัตราย์กายเป็นที่ชาติมาหลายภพชาติแล้ว <c oughs> ถ้ามูอะไรายาวนประคบประงมมันอยู่อย่างนี้เราจะบ้นทุกได้อย่างไรท่านคิดอย่างนี้ท่านตัดอะไรท่านดีรู้ไหยนั้นะบางทีนะั้นพระก็มีปริพโคตรโยมก็มีปริโภชต์มีเครื่องกังวลด้วยกันทั้งนะ <c oughs> แต่ <c oughs> ก็ <c oughs> ที่นี้เราก็ต้องมั่งตั้งกิยการมาหนึ่งใช่ไหมถ้าเราเป็นสาวกของพุทธเจ้าจริงๆ ทำสิ่งที่บุคคลอื่นทําได้ยากเอาชนะต่อสิ่งอื่นที่บุคคลอื่นชนะได้ยากอดทนต่อสิ่งอื่นที่บุคคลอื่นทนได้ยากเราต้องตั้งตั้งใจอย่างนี้ใช่ไหมถ้าตั้งอย่างนี้โอกาสโอกาส ถ, ถึงถึงจุดหมายปลายทางได้ลองลองคิดอย่างนี้นะลองคิดอย่างนี้ว่าเอ๊ะทาไมเวลาเราต่อสู้ชีวิตทําโลกเยบางทั้งทําไมเรายอมเอาชีวิตเป็นเดินมไปเพราะเราถูกใครหลอกอยู่ ใช่ไหมออไมันจะคือคือ <c oughs> จริงๆแค่อยู่ปากท้องให้รอดเนี่ยไม่ไม่ปากเดียวท้องเดียวเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องเอาชีวิตเสี่ยงนะบางทีแต่บางคนเอาชีวิตเขาเสี่ยงเอาชีวิตเขาเสี่ยง <c oughs> ถามว่าเราโดนใครหลอกโดยกิเลสมานหลอกใช่ไหมกิเลสตมา <c oughs> ตน <c oughs> นะ <c oughs> อ, อย่าลืมนะตรงนีนะคารวะแหถ้าเราโผล่เฉียนมันมาตรงนเนี่ยจริงจริงคำสอนพุจ้าเนี่ย สัาชนชาไทยได้ทําได้และปฏิบัติได้เนี่ยมันจะเป็นสิ่งดีๆแต่ว่าชีวิตของพรศ์เรืจริงๆเนี่ยมันมัดมันปลูกพันอย่างวันที่ถูกยึดยึเนี่ยนะอาจารย์และจริงๆเมื่อเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยมันมันออกไม่ได้ไม่ใช่ว่าเราไม่อยากออกไม่อยากออกแต่โอ้โหที่ลูกกำลันยือคอยกันอยู่นี่เองคือตรงนี้ต้องไปดูใครรู้หมหนึ่งหนึ่งก็ไปศึกษาประวัติของท่านอาณาถาพิณิกาเศรษฐีว่าท่านท่านทำยังไงท่านถึงเป็นพระโสดาบัน สองต้องไปดูนางวิสาขาหมหาบาสิกาเมื่อท่านทํายังไงท่านึเป็นพระโสดาบานันหรือต้องไปดูท่านวิสาขาอุบาสกทํายังไงท่านจึงเป็นพระอนาคามีเป็นต้นและอีกเยอะแ ย, ยะหมดพระโสดาบันในสมัยข้าพุทธกาลอีกเยอะแล้วท่านท่านก็ประกอบกิจการงานท่านแล้วท่านทํายังไงใช่ไหมมันต้องเอาประวัติของท่านมาไล่ดูอีกยาวเลยตอนนี้เอาอย่าง<อ>านี้นะจะยกตัวอย่างคนหนึ่งจะได้เห็นชัดสามีก็โกรธสามีก็เป็นเดรัจฉี ข้าจะเอ่ยพระนามของพระเจ้าแต่ละครั้งก็โดนด่าหญิงถอยใช่ไหมหญิงถอยเรียกชื่อสมณะโคดมสมณะทิจารุนอย่าให้เราได้ยินอีกนะมันถามมาทุกทรมานไม่อยู่อย่างนั้นนะแล้วสาไอคนอินเดียในยุคสมัยก่อนอนั้นอยู่อย่างกระท่าใช่ไหมแล้วนางประคองชีวิตยังไงอยู่ได้แล้วนางเป็นพระโสดาบันต่อมาแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะยังดึงสามีให้เป็นพระโสดาบันเลยก็ต้องไปดูอีกว่าและอีกนางหนึ่งนะั้นหนี มีตามสามีที่เป็นในพานเนี่ยสามีเป็นในพานต้องออกล่าสัตว์นางมีหน้าที่เหลาลูกธนูให้กับสามียังไม่หนักกว่าเราหรือเรายังไม่ถึงขนาดนั้นนะที่ถูกบังคับให้เหลาลูกธนูเนี่ยนางมานัิกาลยังไงถึงไม่เป็นบรณาธิบดีก็ใช่ไงแต่นางก็ทําแต่ในที่สุดจริงๆสามีและลูกทั้งหมดก็ได้บรรลุตามนางนั่นก็ต้องไปดูจะไหมไม่ใช่ว่าโหยชีวิตของนางลาบลื่นเหมือนกับยืนอยู่บนปุยนุ่นไม่ใช่นั้นเลย ต้องบอกไงบอกว่าตรงเราเนี่ยถามว่าปัญหาชีวิตของแต่ละบุคคลมันมีได้กันอย่างนั้นแหละแต่ถามว่าศรัทธาในพระราชนรัย์ใ่ไหมใช่ไหมนางศรัทธาเนี่ยจะตามพระราชนาฏ ย, ย์นถึงไปอยู่ในแวดวงมิจฉาทิฏฐิถ้าเราดูแค่นางวิสาขาเนี่ยพ่อผัวก็มิจฉาทิฏฐิกลุ่มบริวารมิจฉาทิฏฐิเต็มไปหมดจะทําอะไรเนี่ยถึงขนาดว่า จะต้องต่อสู้กันทั้งด้านคดีความมันมีรูกกี่ครั้งเด็กกี่ครั้งเในที่สุดจริงจริงไพ่อหัวเป็นพระโสดาบันกลับมาเรียกนางวิสาขาอว่าแม่เห็นไหมตัวที่อยู่ในตั้งในฐานะว่าเป็นแม่นางวิสาขาจิงได้ฐานะว่าวิสาขามิฆรามาตาะบกเป็นมารดาของมิฆาลเศรษฐีเห็นไหมนั่นก็ต้องไปดูว่าจริงๆแนละ้วท่านทําไมท่านไม่สบายนะชีวิตเนะี่ยการอยู่กับวิสาทิฏฐิเราไม่ถึงขนาดนั้นเลยบางทีเราบงการอะไรได้เยอะแยะ แต่ไอ้ที่บ่วงนั่นเราเอามาคอคอเราเองหรือเปล่าก็าต้องไปดูใช่ไหมหรือเราพยายามจะแกะบวงออกหรือพยายามจะมัดมั ด, มดตัวเองให้มันแน่นก็ต้องไปใคร